บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสต่อไปธรรมปฏิบัติที่ทรงจําแนกแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการเพิ่มปูนขึ้นของธรรมะ การจางไปคลายไปของสัพพกิเลสทั้งหลายและการพัฒนาจิตใจให้มากโดยเมตตากรุณาจนถึงแต่ละจุดนั้นมีความสมบูรณ์ดังนั้นวิธีการทั้งหลายจึยงเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน แล้วก็มีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันจึงแตกต่างกันในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่จะเหมือนกันในเชิงที่เป็นเนื้อหายังแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำรงประชนม์อยู่นานคนที่มาควางธรรมะแต่ละคราวไม่พื้นเพจริตตถาญาสายไม่เหมือนกัน การแสดงธรรมะเหล่านั้นก็จำเป็นต้องยักย้ายเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นจริตอัตยาสัยของบุคคลดอดนั้นถึงแต่เรามองดูง่ายๆคล้ายๆกับการเข้าสอนนักเรียนในชั้นเรียนหรือนักศึกษาในชั้นต่างๆชั้นที่ต่างกันนั่นเองทำให้เนื้อหาวิชาที่สอนมีความแตกต่างกัน แต่ว่าทั้งหมดแล้วก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาเหล่านั้น ร, รมะปฏิบัติแม้เราจะมองเห็นว่ากลุ่มหนึ่งเป็นคำสอนให้ศึกษาทําความเข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง อาจจะมีการลดมีการบรรเทาไว้บ้างสุครั้งสุคราวแต่ว่าแก้ไขให้เด็ดขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของพวกคติธรรมดาทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรจะผ่านพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ที่ทรงใช้คำว่า ธรรมนิยามมตาคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมนิยามคือเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติแต่มาเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะตามอากาศตามฤ ด, ดูตามท้องถิ่นต่างๆไปต้นซึ่งเราจะเห็นว่าเอาก็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นทำนองคล้ายกๆกับต้นพืช ซึ่งรบปลูกในท้องถิ่นที่แตกต่างกันมีสภาพใบร้อมไม่เหมือนกันขนาดใบดอกการให้ผลเป็นต้นก็อาจจะแตกต่างกันแต่แท้จริงแล้วก็คือพืชชนิดนั้นๆธรรมะปฏิบัติมันก็มีแนวนั้นปันพึงเห็นว่าในการพิจารณานั่นเองที่จริงแล้วก็เป็นอริยสัย์อยู่ในตัวของเขา เพราะอะไระสิ่งที่เรายกขึ้นพิจารณาย่อบทอภินาปจเวกขณะที่สวดกันทุกวันเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและการพลัดพลาดในสี่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตแต่และชีวิตซึ่งได้เกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เพียงแต่จะแก่เร็วหรือว่าแก่ช้า แต่ก็คือแก่เจ็บมากหรือเจ็บน้อยก็คือเจ็บตายเร็วตายช้าก็คือตายรัดรากมากรัดรากน้อยก็คือรัดพากอาจจะไม่ทัดเทียมกันในเรื่องจานวนแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งเหล่า น, นั้นตำนองคล้ายกับต้นไม้ที่ยกไวในตอน ต, ต้นสิ่งทั้งสี่ประการนี้ ในส่วนใดที่ป้องกันไม่ให้เร็วเกินไปไม่แก่เร็วเกินไปไม่ให้เจ็บมากเกินไปไม่ให้ตายเร็วเกินไปไม่ให้พลัดพรากมากเกินไปเราป้องกันได้แต่ป้องกันระดับไม่ให้เกินไปแต่ถามว่าไม่ให้เป็นไปเลยนั้นก็เป็นไปไม่ได้เจดีย์ก็ทรงสอนในรูปของการทำใจให้ยอมรับโดยมีปัญญาเข้ากํากับ ในการต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วซึ่งเกี่ยวซึ่งต้องเกี่ยวข้องแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางสิ่งเ้าจยกขึ้นพิจารณาเช่นตัวเราแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าเป็นทุกข์สัตว์เพราะว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะไหลเข้าสู่กระแสะความเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราเห็นว่าเราเองก็แก่อยู่ทุกขณะแก่อยู่ทุกวินาทีแก่ทุกนาทีแก่ทุกชั่วโมงเวลาที่ผ่านไปก็คือผ่านไปไม่สามารถจะย้อนคืนกลับมาได้แต่าบางครั้งท่านมองให้เห็นเหมือนกระแสน้ำเหมือนการเวลาที่ไหลไปแล้วก็ไม่ไหล ย, ย้อนคืนมา คือแน่นอนเอาว่จริงแล้วกระแสน้ําเราก็สามารถที่จะกั้นไว้ได้ระยะหนึ่งแต่ก็จริงในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในด้าความเจ็บเราก็สามารถจะแก้ไขได้ระดับหนึ่งแต่เอาว่จริงมันก็ต้องเจ็บบ้างเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยแล้วเราก็เจ็บอยู่ทุกขณะในด้านความตายที่จริงเราก็ตายอยู่ทุกขณะในที่ทเรียกว่าคณิกะมรณะคือเราตายอยู่ทุกขณะ จะหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกก็เป็นตายเซนต่างๆไปในร่างกายเราก็ตายกันไปแต่ดีที่มีเซนใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนอวัยวะพวกอวัยวะต่างๆไปในร่างกายของเราจนบ่มผนเป็นร่องก็ร่วงหลดลงไปเรื่อยๆแต่ดีที่มีส่วนอื่นขึ้นมาทดแทนสำนองกระแสน้ําไหลไปแล้วก็ไหลาตามกันมาก็เราดูแค่แค่เต็มอยู่ ตัในจุดนี้ที่จริงก็พอระมัด ร, ระวังอยู่ได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าจะให้รอดพ้นไปเลยก็ไม่ได้ทันั้นความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีจึงเป็นเรื่องเกิดอยู่ทุกขณะเพราะว่าพวกนี้ตกอยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงปลแปร ป, ปรวนไม่คงที่การพลัดพรากเราก็พลัดพรากกันอยู่ทุกขณะ เพียงแต่มีการได้เพิ่มเติมเข้ามาบ้างพระพรากไปเลยบ้างชีวิตเราก็อยู่กันได้ปัญญาที่พิจารณาจึงเป็นเรื่องของมักษัตริย์แสดงว่าในจุดนี้เป็นตัวตัวชีวิตที่เราพิจารณาก็เป็นทุกตัวปัญญาพิจารณาก็เป็นมักตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะยึดมั่นถือมัน่น บางครั้งเป็นการยึดมั่นถือมั่นโดยการคาดหวดังเอาโดยสารไปที่เราต้องการให้เกิดให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ได้ตามที่เราต้องการเราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งจะเห็นได้ว่าเอากระจิงแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดคือเราคิดตัวเองในส่วนของความหวังเราก็ตั้งความหวังและเราคิดว่าเราจะได้ ทำไมจึงคิดเช่นนั้นเพราะคิดด้วยอำนาจตัณหาคิดด้วยอำนาจของอวิชชาในตรงนี้เองทหารก็มีปัญญาเข้ากับกบเส้นหน่อยก็คงจะตั้งความหวังแต่ไม่ใช่ไปหวังไว100้ร้อยเปอเซ็นเพราะแต่ละคนก็มีบทเรียนในชีวิตมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ซ้ำๆซๆำซากๆอาจจะเป็นหมื่นๆครั้งแล้วได้ทไป เพราะบรรดาความหวังทั้งหลายนั้นมันเกิดจากความอยากที่ขาดการควบคุมแล้วความหวังมักจะเกินสถานะไปเกินจะได้เกินจะมีเกินจะเป็นเพราะความหวังส่วนมากจึงผิดหวังธุรกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นส่วนผิดหวังนะจะมากเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังไม่ค่อยอยู่นิ่ง แต่ละวันแต่ละขณะความคิดของเรานั้นอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้จากน้นจิตมันก็สายไปเรื่อยถ้าลองนับแต่ละวันแต่ละคาาหวังอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้กี่ครั้งคงจะนับกันไม่หวมดไม่ไหวเพราะอะไรเพราะใจมันไหลสู่กระแสของตัณหาทุกครั้งมีอารมณ์ที่มากระทบ ใจเกิดความอยากมันก็เกิดความปรารถนาเกิดความหวังต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นและโดยไม่ได้คิดเลยว่าสมมติเราได้ทั้งหมดมีทั้งหมดเป็นทั้งหมดเราจะอยู่ได้อย่างไงเราจะทำยันทำอะไรได้แต่เนื่องจากมันสืบเนื่องมาจากอาวิชาคือความไม่รู้เหตุทุกคนอะไรใจมันก็ค่อยคว้าไปเรื่อย ในจุดนี้พอวิชามันลดความรุนแรงลงไปก็มีปัญญาหรือวิชาเพิ่มขึ้นมันก็ตั้งความหวังอาจจะอาจจะมีการตั้งความหวังแต่ว่าใจนั้นจะมีปัญญาข้อกํากับเอาไว้ในช่วงการตั้งความหวังก็หวังในเรื่องที่อาจเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องได้เสมอไปเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีออกมาสี่ทางเสมอทางใดทางหนึ่งเสมอคือหนึ่งอาจจะผิดหวังด้วยประการทั้งปงทํานองกับคนเล่นหวยซึ่งผิดหวังในมากกว่าสมหวังเล่นสลากินแบ่งก็แนวนั้น คนที่สมหวังในสิ่งที่ตัวต้องการจึงมีอยู่น้อยและบางเรื่องเราก็หวังเกินเหตุไปเช่นอยาแก่อยาเจ็บอยาตายอยาพลาดพลาดมันไปหวังในเรื่องที่หวังไม่ได้บางอย่างก็ได้สักครึ่งสักคกือหนึ่งบางอย่างก็อาจจะได้ตามที่หวัง มีบางคราวนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งคืออาจได้เกินที่คาดหวังเอาไว้เราจะเห็นว่าถ้าปัญญาเข้ากำกับใช้ประสบการณ์ต่างๆในเราผ่านมาแล้วเป็นเครื่องมือในการคาดหวังและในการตั้งความหวังจะผิดหวังหรือสมหวังมาก็เท่านั้นสมหวังมาก็มีอย่างมีเรื่องที่ไม่สมหวังซึ่งก็แอบอยู่กับ สิ่งที่เราสมหวังนั่นเด็กมันเหมือนอะไรคือการได้กับการไม่ได้นั้นที่จริงก็แอบกันอยู่สิ่งบางอย่างก็ได้มาหน่อยเดียวก็หายไปแล้วหรือตกหล่นไปแล้วก็สแสดงว่าความไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นเด็งหรือความเสียมันก็อยู่ตรงนั้นเด็กไม่แต่ความเกิดมันก็แอบไว้ือความแก่และความเจ็บความตาย สิ่งเานี้ก็ติดอยู่กับความความเกิดและการแสดงออกมาเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะเราจึงเห็นว่าคนตายเนี่ยมีอยู่ทุกวัยแลทุกวันทุกขณะได้ทาไปพอแม้จะปิดหวังมันก็ไม่โกรธประรเสียใจอะไรป้าเกิดไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางอย่างมันก็สมหวัง ซึ่งเห็นว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันก็มีทั้งผิดหวังทั้งได้ไม่ไม่ตามที่หวังทั้งได้ตามที่หวังและทั้งได้เกินที่หวังเมื่อปัญญาเข้ากํากับอยู่ตรงนี้ตัวปัญญานั่นเองก็คือสมาธิิก็คือมัจกิเลสที่มุ่งไปในแนวเดียวอยากได้อย่างเดียว ถ้าไม่ได้จะเศร้าโศกเสียใจใจอะโวยวายจะอาละวาดมันก็สงบแสดงว่าอะไรแสดงว่ากิเลสมันสงบลงไปแล้วจิตใจก็จะเป็นยังไงจิตใจก็จะมีความสุขเพราะการสงบของกิเลสก็แสดงว่าสมุทัยมันสงบการที่เราได้สุขในระดับต่างๆาก็ชื่อว่าสัมผัสอาการของนิโรธ เพราะว่าในขณะนั้นใจจะไม่ถูกเสียแทงด้วยตัณหาหรือด้วยความทุกข์เพราะเวลาใจถูกเสียแทงมันจะเสียแทงอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาจจะเริ่มที่ตัณหาพูดง่ายว่าเริ่มจากกิเลสแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะเราจะพูดว่าทุกข์ก็ได้กิเลสก็ได้จริงๆแล้วพวกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันแลกัน บางทีเราเห็นทุกเราก็บอกได้ว่ามาจากกิเลสคล้ายๆก็เห็นควันเราก็รู้ว่ามาจากไฟโดยไม่จะเป็นจะต้องเห็นไฟควันปรากฏเราก็บอกได้ว่าก็มีไฟอยู่ในที่นั้นอาการที่ปรากฏภายในจิตของบุคคลที่ออกมาในรูปของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทุนัน้นได้สืบเนื่องมาจากกิเลส แต่นั้นท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าการพิจารณาในจุดนี้เองก็เป็นการปฏิบัติตามอริยสัจทั้งสี่ประการครบบริบูรณ์ในขณะนั้นโดยการกระทำเพียงใช้ปัญญาปีนิดพิจารณาแต่มีข้อแม้ว่าพิจารณาจริงไม่ใช่เอาเฉพาะสวดเฉยๆคือจะต้องเห็นการลดละของกิเลส การยึดมั่นถึอมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายลดน้อยลงหรือการขวายคว้าลดน้อยลงเพรานี่ปเป็สังเกตกระแสความคิดของสังคมหรือว่าคนจะอยู่ในสายใดก็ตามจะมีลักษณะการขวายคว้าปรารถนาไปยื้อแย่งสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นความมีต้องการมีต้องการเป็น และจะแย่งกันในเรื่องที่เราอยากมีอยากกับคนอื่นหรือว่าแย่งสิ่งที่คนอื่นเขามีเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีในความเป็นก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะแย่งสถานะความเป็นกันมุ่งก็สู่ความเป็นตนั้งที่ความเป็นมาก็รู้กันหรือว่าตำแหน่งมันตําแหน่งในตั้งคมเนะี่ยมันมีตําแหน่งเดียวนี่ าการเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็มีตําแหน่งเดียวการเป็นสังกาชมันก็มีตําแหน่งเดียวแต่คนเปน็นมากได้อยากได้ในจุดนี้เราจะเห็นภาพของคนผิดหวังนี่มากกว่าคนที่สมหวังทีนีคนผิดหวังมีความรู้เข้ากับกับมันก็หยุดตัวเองไว้ได้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราเป็นกันอยู่แล้วทุกคน แล้วก็เป็นกันมากด้วยในแต่ละวันเนื่องจากการเป็นของเรานั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละขณะเท่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟงังมาก็เป็นผู้พูดช่วงไม่นานมันก็เปลี่ยนเป็นผู้นั่งเจริญกรรมฐานผ่านระยะหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะกลับบ้านก็เป็นคนเดินทาง ตัวนหนึ่งก็อาจจะฟังพระสูร ต, ต่อแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปดีๆปัญหาต้องการยังอยู่ที่ในจุดใดในขณะใดที่เราเป็นอะไรผู้มีปัญญาจะไม่ไขวยคว้าเรื่องที่ยังไม่มาถึงจะไม่เศร้าโศกเสียใจตึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่จะใช้ชีวิตอยู่เฉพาะปัจจุบัน คือจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ตัวจะได้หรือจะเป็นหรือจะมีแต่ใส่ใจถึงสถานะที่ตนเป็นที่ตนมีอยู่แล้วพยายามปฏิบัติภารกริจของตัวในแต่ละขณะทำไมจึงพูดแต่ละขณะเพราะที่จริงแล้วชีวิตของเราเป็นเรื่องของแต่ละขณะ ให้เองสังเกตว่าหนึ่งนาทีที่ปรากฏในขณะนี้ทำอะไรก็ทำถ้าไม่ทำมันไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากนาทีเหล่านั้นนอกจากการหายใจแล้วก็แก่ไปหนึ่งนาทีแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเมื่อผ่านไปแล้วราลึกถึงก็ด้วยความภาคภูมิใจถ้านาทีต่อไปจะไม่มาเราก็ตายเราก็ตายดีเพราะในขณะนั้นจิตใจเราพองแผว ถ้ามามันก็เป็นปัจจุบันเราก็ใช้ใช้แก่เกิดประโยชน์อีกดังนั้นชีวิตเราจริงๆ จ, งจึงอยู่กับปัจจุบันอนดีตเป็นแต่เพียงครูเป็นบทเรียนอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจึงทําอะไรไม่ได้ทให้คนเป็ น, นมากใช้วิธีการที่ควบคุมตัวเองรู้จักตัวเองในแต่ละขณะ จนเรื่องจะต้องทำพรุ่งนี้แทนที่จะคิดวันนี้มันก็คิดแล้วก็ไม่ได้ทำเดียวเมือมาถึงก็คิดกันในขณะนั้นเรื่องพรุ่งนี้ก็คิดกันพรุ่งนี้ทำกันพรุ่งนี้พูดกันพรุ่งนี้ในกลางคืนเราทำอะไรเราอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือเรานอนก็คือนอนทาการงานก็คือทำงานเพราะตรงนั้นเราทำได้ถ้าจะทาถ้าไม่ทา เขาก็มาแล้วก็ก็ผ่านไปแต่นาครเราจะปรุงยังไงเราก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่มาถึงในจุดนี้เองท่านจะท่านสาชนทั้งหลายเห็นว่าคุณธรรมคือสติสมัรญญิยความเพียรซึ่งเป็นธรรมะหละักที่ต้องใช้ในกิจการต่างๆก็จะทําหน้าที่ระลึกรู้แล้วก็ใช้ความเพียรเหมาะสมสอดคล้องกัเรื่องต่างๆ ความเปียนพยายามคิดถึงเรื่องอดีตไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามมันก็เป็นเรื่องอดีตเราอาจจะคิดได้เพียงบทเรียนแล้วก็มาทำในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าไปหลงอดีตเพื่อเพลินกับอดีหรือไปเศร้าโศกที่เรื่องอดีตเพระาะดีที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วดีก็เท่านั้นแหละ ไม่ดีก็เท่านั้นเราจะไปเพิ่มดีในอดีตก็ไม่ได้จะลดชั่วในอดีตก็ไม่ได้แตยธรรมก็เป็นเรื่องคนละเจตนาคนละขณะคนละเวลากันแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันในแต่ละขณะที่ท่านสอนไว้ว่ากตสนานติปฏิการังสิ่งที่เราทําไปแล้วทําคืนไม่ได้ด้วยความคิดแบบทั่วๆไป คล้ายๆกับเราจะทําได้เซโหยิบของผิดแล้วก็หยิบใหม่หยิบผิดก็หยิบใหม่ได้ที่จริงแล้วเราทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของคนละขณะกันถ้าจะหยิบผิดก็คือหยิบผิดหยิบใหม่ก็คือหยิบใหม่ถ้าผิดอีกก็คือหยิบผิดอีกถ้าหยิบถูกก็คือเป็นเรื่องใหม่เป็นคนละนาทีกันชีวิตเราได้แก่ไปแล้ว เวลาได้ผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเองก็เสื่อมไปแล้วซึ่งเห็นว่าทุกเรื่องเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นเพียงแต่มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันดังนั้นการปฏิบัติในแนวนี้แม้เราจะมาจับที่ตัวพวกสมุทยัยตามแนวของอัยตนปะปปะที่พูดกันมาโดยลำรับนั้นเป็นสังเกตว่าทรงสอได้แนวดูที่ตัวกิเลสแต่ไม่ได้หมายความว่า กิเลสเท่านั้นที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสที่จริงอะไรมันก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพียงแต่ธรรมะชุดนี้ทรงแสดงเป็นหมวดก็ว่ากันไปนเรื่องๆแต่แท้ที่จริงแล้วพวกอายตนะก็คือทุกขสัตย์พวกกิเลสที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้ก็เป็นพวกสังโยชน์ก็คือพวกสมุทัยสัตว์ทรงสอนแนวให้มองเห็นโทษ โทษที่เห็นได้ชัดก็คือโทษที่เราดูที่จิตของเราที่เรานั่งอยู่โดยปกติก็รู้สึกโปร่งเบาสบายตามสมควรแก่ฐานะพะใครทำให้โกรธจิตผิดปกติแล้วเกิด ค, ความโกรธแล้วเกิด ค, ความร้อนร้อนแล้วถูกแบบเผาแล้วใจที่เคยสงบไม่สงบแล้ววาจาที่ เคยเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยแล้วมีเขาจะไม่เรียบร้อยแล้วแล้วอาจจะออกมาตามความรุนแรงของกิเลสภาพล่านี้เราอาจจะมองจากไฟที่ไหม้ก็ได้สภาพป่าที่มีอยู่โดยปกติประดูสวยสามงดงามเขียวช อ, อุ่มดูแลสบายตา เกิไฟป่าหรือใค ร, ใค ร, ใครประมาททำไฟไหม้เกิดมาสิจุดหนึ่งเล็กๆแต่ใสายที่ป่าเป็นเชื้อเ่อลูกลามไหม้กันได้นานๆอย่างข่าวไฟไหม้ที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวอย่างที่สอนภาพของกิเลสที่เมื่อมีการได้รับเชื้อแกก็ เ, เพิ่มขึ้นไปได้เรืเร่อยๆและมีความรุนแรงขึ้นไปเรืเร่อยๆ เราจะดูจากกระแสน้ําอาจจะดูจากกระแสควยกระแสลมอะไรก็ได้มันจะอยู่ในวิธีเดียวกันเรออา จ, จะดูกระแสน้ําแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีมาจากปิงหวังยมนั้นแต่เราขึ้นไปต้นน้ําสุดๆของปิงวังหยมนั้นจะเห็ว่าที่จริงมันก็เป็นลําธารเล็กๆบางแห่งก็เป็นตาน้ํานิติแต่ขึ้นมาจากหินเท่านั้นเอง แต่เมื่อแกไหลามาแกก็มีเหตุปัจจัยเสริมมาเรื่รและแกเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยที่เข้ามาเสริมลําธารบางสายมีดินสีแดงก็ดึงเอาแดงเข้ามาในนั้นลําธารบางสายน้ําสะอาดก็เอาความสะอาดเข้ามาลําธารบางสายน้ําขุ่นข้นก็ความขุ่นข้นเข้ามาแล้วก็ปะปนกันแต่งไงก็ตามมันก็คือน้ํา แล้วก็ยายปริมาณใหญ่โตออกไปเรืเร่อยๆว้างขวางออกไปเรืเร่อยๆแล้วก็ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษแต่ส่วนกิเลสนั้นเขาให้โทษอย่างเดียวถ้ามีความรุนแรงแต่ถ้าระดับโลกิย ะ, ร ะ, ะเราคุมเขาได้ก็ให้คุณในระดับของโลกิยะนั้นการมองพิจารณาเห็นโทษของกิเลส เราเยอะกิเลนั้นเป็นเหตุของความทุกข์เรามองในตัวกองกิเลสมันก็เหมือนคล้ายๆกับมองว่าไฟกำลังจะไหม้เนี่ยแล้วถ้าเรารีบดับเราจะมองถึงสิ่งที่จะเกิดต่อไปแต่มันเกิดไม่ได้เพราะดับใช่ก่อนนั้นคือความสูญเสียทับทวีขึ้นไปโดยํำดับตามปริมาณของความรุนแรงอย่างไฟที่ลุกไหม้ นั่นคือความทุกข์ประเด็นว่าความทุกข์มันก็ลดลงไป ต, ตัวกิเลสเองก็ลดลงที่เป็นรูปธรรมก็คือไฟที่มันดับแล้วก็สิ่งที่น่าจะถูกไฟไหม้มันไม่ถูกไฟไหม้นั่นคือสิ่งที่เราเหลืออยู่แต่ถ้าเรามองอีกภาพหนึ่งว่าถ้าเราไม่ดับตรงนั้นแล้วไฟก็ลุกไหม้ไปความทุญเสียมันก็มากมายที่จะขนานนับสาบเท่าที่ไฟยังไม่ดับ ดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ากิเลสมันก็ลดลงไปคือสมุทัยก็สงบลงไปความทุกข์ก็สงบลงไปความสบายก็เกิดขึ้นตรงนี้เองมันก็ครบอริยสัจแต่หมายความว่าเป็นการเริ่มศึกษาจากจุดของกิเลสดังนั้นธรรมะในกลุ่มใดก็ตามเราไม่ได้ทำอย่างเดียวแต่จริงแล้วเราทมพร้อมๆกัน ความองใกล้ๆกับการเดินการยืนเราบอก่าเดินเราบอก่ายืนนั้นก็เพียงแต่พูดในแง่ที่ปรากฏเด่นชัดแต่การยืนการเดิ น, ก, ดนก็เรามีองค์ประกอบต่างๆอีกเป็นนั้นมากที่เข้ามาช่วยโดยเพราะอาการของธาตุภายในใจภายในร่างกายของเราและปัจจัยเง่นไขจากภายนอกที่ส่งเสริมค้าสนับสนุนอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนมันก็เกิดขึ้น โดยมีทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยเข้าสนับสนุนประการต่อไปเราอาจจะมองจากสายของของนิโรธแนวอระพระเจ้าทรงสอนเรื่องอุปสมานุสติคือตั้งสติเราลึกถึงนิพพานอันเป็นที่สงบประงับของเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ระลึกถึงท่านที่นิพพานเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้น หรือสุขภาพจิตที่ไม่มี น, นิพพานอาจจะคิดแบบสมมติเอาโดยญาติกล่าวแล้วนะ่ะที่จริงก็คือแนสมมติเอาพอไฟมันลุกไหม้หรเราดับใช่ได้มันเริ่มจะร้อนแล้วก็เย็นไปเป็นผลที่น่าพอใจเป็นผลที่น่ายินดีของคนทั้งหลายเพราะความสงบเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติ ที่ทุกชีวิตต้องการเพียงแต่ว่ามันแกล้คียงกันโลกเร า, าโลกเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็เย็นแต่ทําไมโลกเราร้อนเพราะว่ามันรับแสงจากพระอาทิตย์แต่ตราบใดที่ยังมีแสงพอาทิตย์อยู่โลกมันก็ต้องร้อนร้อนมากหรือร้อนน้อยฉั้น จ, จิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีความเร้าร้อน แต่ถ้าสงม ก, กิเลสในแสงพราที่สองโลกนั้นช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้แต่กิเลสที่สองใจถ้าแรงเกินไปมันก็ทำลายฉันศีลตามจัน ญ, ญาจึงไม่พูดถึงการดับกิเลสแต่พูดถึงการลดความรุนแรงของกิเลสระดับศีลก็พูดการสงบ ก, กิเลสระดับปัญญาท่านั้นที่พูดเรื่องการตัดกิเลสคือทาลายกิเลสให้หมดไป ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป